อ้าตั้งใจกันในแบบนี้นะเรามาฝึกผ้นตดอบรมทนตั้งอกตั้งใจให้มันแน่วแน่อย่าให้ใจมันวอกแวกใจวอกแวกนั้นไม่มีกำลังต้านทานต่อกิเลส ที่มันจะต้านทานกิเลสได้เพราะว่าใจมันตั้งมั่นมีสติประคับประคองอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นมันยังคอยต้านทานต่อธรรมชาติในโลกอันนี้เช่นรูปมากระทบในตาอย่างนี้นะถ้าจิตใจอ่นแอท่อแท้มันก็หลงยินดียินร้ายไป เทียงมากระทบหูนี่มันก็วันไว้ไปนั่นะกลิ่นมากระทบจมูกก็เหมือนกันรสกระทบกับริ้นอ่าสัมผัสมากระทบกับกายเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งอารมณ์ทั้งห้านี่กลิ่นยามจะส่งเข้าไปหาจิตนุ่น จิตจะเป็นผู้รับรู้เมื่อจิตไม่ฉลาดจิตก็วันไว้ไปตามอารมณ์เหล่านั้นหลงยินดีหลงยินร้ายไปนี่คนเราเป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้ก็พ่อเหตุดังกล่าวมานี่แหละดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตใจนี่ให้มันหนักแน่นให้มันตั้งมั่น โดยยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไว้ในใจนอกจากบุญจากคุณแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจไม่มีอะไรที่ทำใจให้มั่นคงหนักแน่นได้มีแต่บุญกับคุณเท่านี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจก็ลองคิดดูสิเราจะเอาอะไระมาเป็นหลักเป็นฐานที่ตั้งของจิต ให้มัน่นคงไม่มีอ่อเช่นอย่างเมื่อเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้ า, างนี่นะอ่อก็นึกถึงคุณความดีของพระองค์อันพระองค์จะได้นามว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้วิเศษได้นั่นก็เพราะพระองค์ฝึกกิจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี ในเมื่อบุญบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์พระองค์ก็ฝึกจิตใจในมาในสงสารอย่างนั้นมาฝึกใจตั้งมั่นอยู่ในฐานะบารมีอย่างนี้นะฐานะอุปบา ร, รมีฐานปรมาถบารมีฐานะประมัาถาบารมีนี่แม่ร่างกายนี่พระองค์ก็ยอมสละให้เป็นทานได้ตอนที่เป็น กระตายเผือกอยู่ภูเขาลูกหนึ่งพอค่ำคืนเดือนสว่างกระต่ายเผือกพระโพธิสัตว์ก็ลำพึงเอวอัตถุทานอะไรอะไรของเราก็ไม่มีมเราอยากบำเพ็ญทานก็ไม่มีอะไรจะให้ทาน ถ้าว่าใครมาขอเอาชีวิตของเรานี่เราจะให้ฐานเลยอย่างนั้นนะอืแบบนี้ความวิตกอย่างนี้มันก็ร่วงรู้ถึงพระญาอินาคนท่านผู้มีบุญเป็นอย่างนั้นพอ ว, วิตกอะไรขึ้นมาเรื่องทํากัญสำคัคนพระยาอินเป็นร่วงรู้เลยอืถ้าคนบุญน้อยคนไม่ไ ม, ไมีไม่มีบุญมาก่ะ วิตกยังไงยังไงเทวดาก็ไม่รู้เป็นงนั้นาำว่าบุญไม่ถึงนั่นแหละเมื่อพระยาอินพิจารณาดูแล้วอ้อนี่มันกระต่ายเผือกโอะโพที่สัตว์ปรารถนาอยากสร้างทานะปรมาถาบารมีเราจะลงไปช่วยพระยาอินก็หายจากดาวดิงลงมา ลงมานิรามิตตัวเป็นพรามแกถือไม้เท้าเดินมากระต่ายเผือกก็ถามท่านพรามท่านมาอะไรประสงค์อะไรวะงั้นอ๋อเรามานี่เราประสงค์อยากแกได้เนื้อกระต่ายนี่นะเป็นอาหารวะงั้นนะ เอาสีได้ให้ท่านก่อกองไฟขึ้นเราจะกระโดดเข้ากองไฟนี่ให้เป็นอาหารของท่านไปเลยขอยงนั้นนะพระยาอินโคนมิตนิรมิตรกองไฟขึ้นลุกโพรงขึ้นนะกรตายเผือกก็กระโดดเข้ากองไฟเลยแต่ไฟก็ไม่ไหมแต่ ตอนไฟไม่หมนี่มันจะเป็นเพราะอนุภาพของวิญอินมากกว่าถ้ายนนิรมิตแล้วก็อธิษฐานว่าอย่าให้ไหม้กระต่ายเผือกอย่างนี้ไฟมันก็ไม่ไหม้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้พระญายอินก็สรรเสริญเยอือนโยกระต่ายเผือกว่าเป็นผู้มีใจกล้าหานเด็ดเตียวยอมเสียสละชีวิตเพื่อสร้างบา ร, รมีอืม อันนี้นะได้ว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหรือว่าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ผู้สร้างบารมีทั้งหลายมันก็มีใจมั่นอยู่ในกุศลความดีอย่างนี้แต่ว่าใครจะมั่นได้มากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองนะบางคนก็ไม่ไมท่ทําทานถึงปรมัตภะบารมีอย่างนั้นได้ก็มีอย่างนี้หละ <c oughs> เพราะว่า ศรัทธายังไม่แรงกล้าถึงขนาดนั้นก็ได้เพียงทานบา ร, รมีทานะอุปปารมีทานะบา ร, รมีนี่เรียกว่าให้ทานไปตามประเพณีเ อ, อไปอย่างนั้นัทานะอุปปารมีนี่สูงขึ้นไปกว่านั้นหน่อยสมมุญให้ทานอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าให้อย่างไรจึงมีอรนนิสงมาก จึงเหมาะสมกับกาลละสมัยกับบุคคลผู้รับทานอ่าขั้นนี้นะขั้นทานอุปบารมีต้องคิดอ่านเมื่อรู้ว่าให้ทานอย่างนี้มีประโยชน์แก่ผู้รับด้วยแก่ผู้ให้ด้วยอย่างนี้ก็จึงให้ทานไปทานัตปบารมีนี่ในเมื่อถึงคราวเสียสละชีวิต ก็ยอมเสียสละได้ไม่อะไรเลยอย่างนี้เรียกว่าฐานะปรมตถาบารมีเมื่อมีบาเพ็ญทานถึงปรมาถาทานอย่างนั้นแล้วเรื่องสีละบารมีก็ไม่ต้องพูดถึงนะมันก็มีเต็มที่เลยมันเป็นยงนั้นเพราะว่าผู้มีจิตศรัทธาแม่สละชีวิตให้เพีนรทานได้อย่างนั้น ก็จะไปเบียดเบียนใครแล้วนันแหละเพื่อนก็ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็การบำเพ็ญบุญกุศลเนะ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เพื่อให้จิตใจมีกำลังเข้มแข็งต้านทานต่อกิเลสต่อความโลภความตณีความหวงเห็นต่อความโกรธนี่ ก็เมื่อสละชีวิตให้เป็นทานได้เนี่ยจะไปโกรธใครล่ะนั่นเนี่ยมันก็ไม่โกรธแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะใจมันก็จึงได้ตั้งมั่นนั่นแหละว่านี่นะอใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมก็ท่านเรียกว่าสมาธินี่นะอสมาธิแต่ว่าใจตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมไม่ใช่ตั้งมั่นเฉยๆนะ มีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่จึงตั้งมั่นอยู่ได้เป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูจิตใจของเราทุกคนก็ทุกวันนี้จิตของเราตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมจริงหรืออันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึงพิสูดตัวเองพิจารณาตัวเอง เป็นธรรมดาไอ้ผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดจะให้มันตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณตลอดไปเลยจิตใจไม่พลิกแพลงไปทางอื่นเลยไม่ไม่ได้ดอกไม่ได้แต่ว่าต้องพยายามให้มันพลิกแพลงไปทางอื่นในน้อยที่สุดให้เาให้ทำในใจอย่างนั้นให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณใ้มากกว่า ที่จะปล่อยใจให้ทิกแพงวันไหวไปกับเรื่องอะไรเป็นสาระแก่นสาลนั้นเราต้องตั้งใจว่าอย่างนี้เสมอไม่ว่าพระมกายมมันก็ต้องตั้งใจอย่างนั้ น, นทุกรูปทุกน้ำไปเลยห้ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะนี่แหละเราจะได้เห็นได้ว่า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นนิยานิกระทธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ไปได้จริงๆก็เราก็พอที่จะรู้ได้ไม่ใช่หลือเมื่อได้พิจารณากันมาถึงขั้นนี้นะอันใจที่มันจะพ้นทุกข์ไม่ได้นะั่นก็เพราะมันเลอะแหละมันอ่อนแอมันสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เรื่องมันนะ อย่างนั้นดังนั้นเราจึงมาพยายามฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้มันเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆไปอย่างนี้ได้จใจมีกําลังมั่นคงอยู่ด้วยบุญด้วยคุณอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวต่ออํานาจของกิเลสกิเลสก็ครอบงำจิตไม่ได้อกิเลสครอบงำจิตของคนผู้ ไม่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเท่านั้นที่กิเลสมันจูงไปได้ตามประสงค์ดังนั้นน่ะอย่าอย่าไปเข้าใจไปอย่างอื่นให้มาสนใจเรื่องบุญเรื่องคุณให้มากๆบุญคุณนี่ไม่มีรูปร่างหรอกนั่นแหละถ้าเราไม่เพ่งภาวนาทำใจให้สงบจริงๆแล้ว มันก็ไม่รู้ว่าบุญไปยังไงคุณไปยังไงอมันรู้ไม่ได้อ่าเรื่องมันเป็นอย่างงั้นอุปามาเหมือนอย่างลูกกระตานี่นะถ้าว่าปล่อยให้หุ่นละอองธุรีอะไรประยูเข้ามามากๆเข้าไปแล้วมันก็เกิดเป็นฝ้าขึ้นบางตาดำไม่ไม่ไม่ให้มองเห็น อะไรได้ชัดเจนเลยมันก็ ม, มัวมัวไปอย่างงั้นเนี่ยเหแล้วเขายึงทําน้ําเขายึงทําน้ํายาล้างตาวไว้อเมื่อเห็นว่าตามันสักจะมัวมั ว, ม ว, มวไปก็อเอา้าไปล้างตาด้วยน้ำนํำยานันต์เสียน้ํายาอนันเมื่อเราเอาตาเข้าไปแช่เข้าไปมันจะขับไล่หุ่นละอองอะไรที่ จับอยู่ในตานั้นออกไปที่นั้นตาก็ใสสว่างตามเดิมอันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละตาใ น, นคือดวงจิตดวงใจดวงนี้นะมันมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆ น, นี่อเอกเอาสมาธิเข้าไปล้างมันในขั้นหนึ่งนี่นะ แในขั้นที่สองเอาปัญญาเข้าไปล้างมันอีกนี่ขั้นที่หนึ่งนั้นอุปมาเหมือนอย่างเราซักผ้าเราเอาผงไปใส่ละลายน้ําแล้วเอาผ้าไปแช่ไว้อย่างนี้ผงนั้นมันจะกัดสิ่งสกปรกต่างๆให้เปื่อยละลายออกไปขั้นที่สองบ้านี่ ก็ขยี้ผ้านั่นไปมาอันนี้อุปมาเหมือนอย่างเราใช้ปัญญาสอนจิตอบรมจิตนี่แหละเมื่อขยี้ผ้านันไปมาไอ้คราบตักระปกต่างๆนั้นมันก็ละลายหายออกไปจากผ้าทำให้ผ้าที่มัวหมองอยู่นั้นขาวสะอาดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นน่ละ กระแสจิตที่มีกิเลสทุ่มพออยู่มันก็ต้องมัวมองอะไรก็ไม่เห็นชัดเป็นอย่างนั้นนหละบัดนี้เมื่อฝึกจิตให้สงบลงไปแล้วก็หาอุบายบัดนี้นึกถึงอุบายต่างๆมาสอนจิตนี้เช่นนึกถึงอุบายว่าอาชีวิตนี้ไม่เที่ยงความตายในเรเป็นของเที่ยงนะ ร่างกายนี้ไม่มีสาระแก่นฉานอะไรฉะนั้นจะมาหลงไหลถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ได้อย่างไรอ่ะถ้าไปถือมันไปอย่างนั้นก็เป็นทุกข์เวลาร่างกายนี้มันวีบัตดแปลโบนไปก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเพื่อไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่าไปยึดถืออะไรต่ออะไรเสียรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ ปล่อยตามสภาพของมันวางไว้ตามสภาพของมันอาศัยมันอยู่แต่ไม่ยึดถือมันมันแปลปวนไปยังไงก็ตามรู้ตามเห็นไปอย่างนี้นะรู้ความจริงของร่างกายนี้ไปทุกระยะไปเลยไอความแปลปวนอันนั้นแหละมันกระทบกระทั่งกับจิตมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายขึ้นมา มเมื่อมันไม่สบายขึ้นมาอย่างนั้นแล้วหากว่าเราได้ใช้ปัญญาสอนจิตนี่ให้เห็นว่ารูปนามอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้ก็ปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปในขณะเจ็บปวดอยู่นั้นนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเจ็บอืม พอเจ็บก็มันเรื่องของขันหา้าแต่จิตเป็นผู้รับรู้เฉยๆแต่จัดจิตรับรู้ว่าไม่ใช่เราเจ็บขันห้ามันวิบัติแปรพนไปต่างหากมันมีอุวัยปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะจิตก็รู้แจ้งตามปัญญาแล้วก็ไม่หวั่นไหวแล้ววันนี้เราอดทนอดกั้นแล้ว ก็ทํายังไงได้เพราะบุญกรรมนําตนมาอาศัยอยู่ในรูปในนามนี้อย่างนี้นะเมื่อมันยังไม่หมดบุญหมดกรรมมันก็ยังไม่แตกทำลายรูปกายอันนี้นะเราจะไปชิงฆ่าตัวตายเสียก่อนนี้ก็เป็นบาปอีกไม่ได้อีกแล้วอืเมื่อเป็นเช่นนี้ทํายังไงอา้าวก็ทําความรู้เท่าแล้ว สอนตัวเองบ่อยๆไม่ใช่เราเจ็บนะขันทั้งห้ามันแปรพวนต่างหากไม่ใช่เราขันห้าไม่ได้มีในเราเราไม่ได้มีในขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตัวตนตัวตนไม่ใช่เป็นขันห้ามันคิดมันเตือนจิตอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปจิตมันก็รู้สิแบบนี้นะมันรู้ว่าโอไม่ใช่ของเราจริง ถ้าเป็นของเรามันก็บังคับได้อันนี้มันบังคับไม่ได้จะถือว่าเป็นของเราไงอ่ะมมีอุบายี่ยคายสอนใจเข้าไปอย่างนี้นะอ่าจิตนี่มันก็รู้เท่าความแปรปรวนของรูปร่างกายอันนั้นตามเป็นจริงนะมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเวทนาก็สักว่าแต่เวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าทุกขวเวทนาสุ ข, ขวเวทนาอุบเบกขาวเวทนาหมนี้นะมันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าก็ต้องพี่นาให้เห็นอย่างนั้นมันอยู่ในจัมพพวกขันห้าไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นของจิตหมายความว่ า, างั้นใช่ไหมจิตนี่เป็นธรรมชาติ รู้เท่านั้นเองไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีสีสันวันหน้าอะไรคำว่าจิตนี่นะเป็นแต่ทารู้เท่านั้นเองถ้ารู้อันนี้แหละมันถ้ามีอนุภาพถ้ามันรู้ผิดรู้ไม่จริงความรู้ผิดอันนั้นน่ะมันก็ แผงฤทธิ์ออกไปทําให้จิตนันเป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นอย่างมันรู้ผิดว่าร่างกายนี่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้นะอ่าไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วถ้าใครมาด่าเข้าไปอย่างนี้ก็ก็ถือว่าเขาด่าเราแล้ววันนี้แหนะนั่นแหละมันจิตมันหลงผิดอ่ะเมื่อเมื่อถือว่าเขาด่าเราก็ไม่พอใจอะไรวบบนี้โกรธเมื่อมึงโกรธแล้วมันก็เดือดร้อนเนี่ย ก็เป็นทุกข์ใจแต่อย่งั้นแต่ถ้าหาก็าจิตนี่รู้แจ้งในนามในรูปตามเป็นจริงอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเรา่แต่ที่มาอาศัยมันอยู่นี่ก็เพราะสร้างบุญบา ร, รมียังไม่เต็มจึงพ้นจากรูปจากนามนี้ไปยังไม่ได้ก่อนเรต้องอาศัยรูปนามนี่แล้สร้างบุญบา ร, รมีไปมันมันเจ็บมันป่วยมันวิบัติไปเพิ่งอดเอาทนเอา อ่าถ้าเจ็บป่วยลงไปก็หาหมอเยียวยารักษาถ้าหมอช่วยไม่ได้แล้วก็แสดงว่ามันก็หมดบุญแล้วหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะให้รูปนามอันนี้ดำรงอยู่ได้หมดแล้วเพราะมันหมดเหตุปัจจัยมันก็วางก็ปล่อยวางน่ะไม่ถือว่าเราเจ็บเราจะตายเรากําลังจะตายอยู่ไม่วิตกเลยคําว่าเรานั้นไม่ให้มี มีกำหนดว่าถาสี่ขันธ์้านี่มันกำลังจะแตกจะดับอยู่เวลานี้นะอย่างนี้ไม่ถือว่าเราจะแตกจะดับเราจะตายไม่ว่าไม่นึกในใจเลยไม่นึกว่าเออเราจะตายจากเพื่อนจากคุ้งจากพี่น้องจากลูกหลานอะไรต่ออะไรไปแล้ววะ น, นี่นะไม่ไม่ให้จิจมันวิตกอย่างนั้นอืม ถ้าหาว่าปล่อยให้จิตมันมิดตกไปอย่างนั้นมันก็ถือว่าขันห้าเป็นเราเป็นเขาไปแล้วมันก็ทุกข์ไงแต่วันนี้อ่าจิตใจก็เดือดร้อนมากเข้าไปมันเลยอย่างนั้นเดืองมันนะดังนั้นนะ่ะอย่าไปสนใจอย่างอื่นให้มากการภาวนานี่นะว่าสนใจธาตุสี่ขันห้านี้ให้มั่งมากเลยทีเดียวเพราะเหตุว่ามันอยู่ใกล้กับจิต มันกระทบกระทั่งจิตนี่อยู่เลยมาดังนั้นเมื่อจิตนี่หากไม่รู้แจ้งในขันหานี้แล้วมันก็เป็นทุกข์แหละจิตอ่ ะ, อะมันก็เป็นทุกข์บางคนมีกรรมมีเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนมันตามมาทันเข้ามันให้ผลอา้าวเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้จักหายสเสวยทุกขเวทนาอยู่นั่นนมนานกาเล อย่างนี้นะถ้าหากว่าจิตนี่ไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยของชีวิตยอย่างว่านี่เนะมื่อกบนพีไร้ลำพันธ์นะเข้าโศกเสียใจมองเห็นคนอื่นเขาเรามีกำลังวางชาดีกินได้นอนหลับไปมาได้คล่องแคล่วนี้ไอ้ตัวเองนั้นนอนให้เขาหยอดน้ำข้อต้มให้อยู่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้อย่างนี้นะเหลือใจน้อยใจมาก เสียใจมากแล้ววะนี่นี่แหละความสำคัญว่ามีเรามีเขาอยู่ในขันหน้านี่มันย่อมเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เองนะเพราะฉะนั้นจึงต้องมันใช้ปัญญาสอนจิตนี่เสมอๆให้จิตมันรู้ว่าธาตุสี่ขันหน้านี้ไม่ใช่ของเราจริงจังอะไรเราอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเอง อาศัยสร้างบุญบา ร, รมีได้เท่าไรกัดเท่านั้นนะบุญบา ร, รมีก็ดีเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันแตกมันดับก็แล้วไปถ้ากิเลสยังไม่หมดมก็เกิดใหม่อีกเกิดก็เกิดดีถ้าไปบุนคคลศักดิ์สมบุญไว้ในใจชำระบาปออกจากกิจใจแล้วอย่างนี้นะถึงมันไปเกิดอีกก็เกิดดีมีความสุขความสาราญใจ ก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเหมือนอย่างพ น, นางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อประสูตรพระราชโอรสมาได้เจ็ดวันเท่านั้นพ น, นางก็สวรรคตไป เวลาเพื่อนจตวรรนัคนั้นก็นอนตะแคงข้างขวาแล้วจิตใจก็ลงระวังเคลิ้มไปเหมือนคนเคลิ้มจะหลับนี่แหละไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลยพอรู้สึกตัวก็เป็นอันว่าจิตวิ ญ, ญญาณออกจากร่างแล้วเข้าไปบังเกิดในสวรรค์ท่านดูสิเป็นอย่างนั้น ไอ้นคนผู้มีบุญนะผู้สั่งสมบุญบรมีมามากแล้วอันนี้ความทุกข์ทั้งหลายก็เบาบางจากกิตใจเวลาจวนจะสิ้นสิ้สนสลายขันทุกขเวทนาก็ไม่กล้ามากมคนมีบามีกรรมติดตัวเนี่ยเวลาโลครคภัยเขาเจ็บเบียดเบียนเข้ามานะ้มีทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าดิ้นรนกระสับกระส่าย ้องหาคนโน่นคนนี้สารพัดแต่มันละเมอไปนี่นหะคนมีกรรมมีเวรเนะี่ยตัวห้อตั ว, ตวไม่เป็นอิสระเลยมีแต่กรรมแต่เวรมันสนองอยู่มันครอบงำอยู่ก็ละเมอเพื่อันไปทั่วเลยจนกว่าจะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นแล้วจึงจะตายถ้ากรรมเวรนีมันยังสนองอยู่ยังไม่ตาย เป็นองั้นไอคนมีบาปอันนี้นะให้เข้าใจแต่คนมีบุญมากแล้วเวลาชวนจะตายจริงๆเข้าไอบุญนั้นแหะมันหากอำนวยผลให้เปิดช่องทางให้ทุกเวทนาระ ง, งับไปชั่วระยะหนึ่งจิตใจก็เบิกบานปลอดโปร่งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณไม่หลงไหลไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งใดๆ ในขณะนั้นแนหะเมื่อจะตายยริงๆเข้าจิตมันก็ลงพวังนะเคล้เหมือนคนเคลิ้ ม, ลมหลับไปเนีนะ่พอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าตนตายแล้วอย่างนี้ถ้าคนมีบุญมากก็บุญก็นำชีวิญญาณ้ไปบางเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นวินยูชนเป็นผู้ผู้ใหญ่ขึ้นมาเลย ไม่ได้ไปเข้าท้องใครอ่ะท่านจึงเรียกว่าอุปติเทวดาอุปติเทพอืมเป็นเทพโดยอุบัติเกิดขึ้นเองไม่มีไม่ได้เข้าท้องมารดาอะไรเลยอืนี่นะบุญกุศลทีามันมากมากขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะมันให้ความทุกข์ทางใจนั่นบันเทาไปเรื่อยๆถึงแม้จะเกิดอีกบุญกฏ ทุกตามรักษาจิตไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ร้อนเท่าไรอย่างนี้นะผู้ใดทำบุญปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้ามันถ้กรู้เองขึ้นมาอ๋อบุญนี้เป็นอย่างนี้หนอมันน้กรู้รู้ขึ้นมาได้เลยอ่าเป็นอย่างนั้นอันบุญกุศลมัน เป็นแก้วสารพัดนึกท่านกล่าวไว้พอเรานึกต้องการอยากรู้อะไรอย่างนี้นะบุญกุศลมันก็เป็นแสงสว่างออกไปให้จิตรู้ออให้จิตรู้ได้มันเป็นย่งั้นแต่มันอยู่ในวิสัยของบุญนะไม่ใช่ว่าอยากรู้อะไรก็รู้ไปได้ตามประสงค์ทุกอย่างไม่ใช่ มันเอาบุญว่าถ้าบุญมีมากมันก็รู้ได้มากบุญน้อยก็รู้ได้น้อยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนละงพากันพิจารณาให้เห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปเหล่านี้ด้วยตนเองให้ได้ก็เพราะเรามีบุญนั่นแหละถึงได้มาปฏิบัติธรรมบุญกุศลม น, นุน มันหนุนจิตนุนใจเห็นโทษของกิเลสอันกิเลสนี่มันทำจิตนี่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาไม่เฉพาะแต่ชาติเดียวเท่านี้ชาติหลังๆคืนไปที่ท่องเที่ยวเกิดตายมาก็ก็ได้รับความทุกข์จากกิเลสอันนี้มามากต่อมาแต่มันระลึกชาติหนุหลังไม่ได้เฉยๆนะ ท่านพลตรุษชาติโห่นหลังได้ท่านเบื่อแล้วท่านเบื่อความเกิดเอบาที่ประมาทมัวมาไปทําไม่ดีไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเข้าไปอย่างนี้มันก็เอาแหละได้รับทุกข์ทนทรมานไปแล้วบันนี้ออสัตว์เดรัจฉานบางตัวเอา้าถูกมนุษย์เอาเชือดคอตายแล้วเชือด เอาเนื้อเอานังไปทำปรุงอาหารรับประทานหมู่นี้นะไอการไปเกิดในกำเนิดต่างๆอย่างนั้นนะมันหาความสุขความสบายไม่ได้เลยดังนั้นกระจงพากรมีอุบายสอนใจตัวเองเข้าไปเนี่ยถ้าปล่อยใจให้ตกต่ำลงไปนะถ้าไม่ได้เป็นนรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์จริงเดรัจฉาน ก็ได้รับทุกทรมานตามสภาพของสัตว์ไร่ฉานนั้นเราก็เห็นกันอยู่สัตว์ไร่ฉานมันมีทุกอย่างไรเป็นทุกอย่างไรอย่างนี้นะสัตว์ไร่ฉานบางตัวบางพวกเกิดมาแล้วเอา้าหาอาหารเลี้ยงตัวเองไม่พอนี้รนไปถ้ามีปีกก็ บ, บินไปจับต้นไม้ต้นนั่นต้นนี้ไป ถ้าไม่มีเปีกมีแข้งมีขาก็วิ่งไปเดินไปหาอาหารหล่อเลี้ยงอาถรพาปันนี้อดบ้างอิ่มบ้างไปอย่างนั้นแนะเช่นอย่างสุนัรที่ไม่มีเจ้าของเจ้าของทอดทิ้งนั่นก็เที่ยวเล่ยไปหากินเศษกินเล่นตามสถานที่ต่างๆหมูนั้น เมื่อได้รับทุกทนทรมานอยู่นั่น น, ะนี่แหละการที่กล่อยให้ใจตกต่ำไปแล้วมันมันได้รับทุกทนทรมานอย่างนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทมีจิตดวงเดียวเท่านี้ที่เราจะฝึกฝนให้มันดีขึ้น เราทำบุญกุศลอะไรก็เพื่อจิตตรงนี้ไม่ใช่เพื่อร่างกายอะร่างกายอันนี้บุญเก่ากรรมเก่าที่ธรามะตะก่อนตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วแตนว่าเราทำบุญกุศลปัจจุบันนี่เราทาเพื่อจิตตรงนี้เพื่อให้บุญกุศลนี่น ไ, ไปชำละกิเลสปัญหนาที่มันครอบงาจิตให้มัวหมองอยู่นั้นออกไป อให้มันเบาบางออกไปเมื่อกิเลสเบาบางไปเท่าไรจิตก็ผ่องใสเบิกบานขึ้นมาเท่านั้นนี่แล้วเมื่อจิตผ่องใสเบิกบานแลส้สงบอยงนี้ก็มีความสุขที่แบบนี้ก็เห็นผลแห่งการฝึกผลอารมจิตแล้วแบบนี้อ๋อการฝึกผลอารมจิตนี่ให้สงบระงับจากกิเลสอันนี้มีความสุขอย่างนี้อย่างนี้ น, น้องนี่มันรู้ด้วยตนเองเลยอ มันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่ทำก็ไม่รู้นั่นเอผู้ใดทำจึงรู้ได้ถ้าจะกอุปมาอย่างหนึ่งก็เหมือนกิเลสดนเหมือนอย่างข้าศึกภายนอกนั่นเนมารบควนชายแดนของประเทศเอารัฐบาลก็ส่งกองทาหารไปปราบมาเนี่อ ทหารก็ไปปราบข้าศึกเหล่านั้นถ้าหากว่าทหารของชาติมีกําลังมากกว่าข้าศึกมีกําลังน้อยกว่าก็สู้ไม่ได้ข้าศึกก็แตกพ่ายไปวันนี้บ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเราอยู่สงบกันได้แล้วบันนี้อสงบจากข้าศึกศัตรูต่างๆนี่อันนี้อุบัมาณี้ก็ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละ การที่เราทำความเพียรทำความดีต่างๆหมนี้ก็เพื่อสะสมกําลังใจไปให้เข้มแข็งนั่นแหละการที่เราฝึกหัดปัญญาให้เกิดขึ้นก็หมายความว่าเราสะสมอาวุธคือปัญญานี่ไว้สำหรับประหัสประหารกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิจนี้บุญกุศลที่สั่งสมอบรมนี่ เป็นกำลังใจหมายความว่า ง, งั้นให้ใจส ง, งบวันนี้เราฝึกปัญญาความคิดความอ่านให้ว่องไวให้รู้แจ้งเหตุผลอันนั้นอันนี้เหมือนกันกับว่าทหาร ม, มีปืนมีลูกระเบิดหรือมีดาบอยู่ในมืออย่างนี้นะ เมื่อข้าศึกยกทัพมาก็ต้องยิงกันอเปน็นไงก็ต้องยิงกันถ้าศึกสู้ไม่ได้ก็แตกหนีไปอย่างว่านะั่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อกิเลสมันมารบกวนจิตใจให้ทรงสายให้กระตับกระใสไปมาให้วุ่นวายเดือดร้อนอย่างนี้ก็หน้าที่ของปัญญาในวันนี้นะ ปัญญาจะต้องพิจารณาจิตนี้มันเดือดร้อนเพราะอะไรอย่างงี้นะเราพิจารณามันก็ต้องรู้ได้มันต้องมีเหตุอันหนึ่งจิตใจนัมันต้องไปหลงยึดเอาเหตุอันหนึ่งไว้เหตุอันนั้นมันเป็นเหตุไม่ดีมันจึงเขาจิตให้เราร้อนเลยเมื่อปัญญามันสวดสองมองหาเหตุอันนั้นพบแล้วนี่ มันก็กําหนดละเหตุอันนั้นเสียอย่างนี้นะกําหนดละเหตุอันนั้นได้แล้วความเร่าร้อนความพุ่งซ่าตื้นลอยของจิตมันก็สงบลงถ้าก็เหมือนอย่างว่าตารวจทหารไปปราบค่าตศึกด้วยอาวุธนาน า, นานชนิดอย่างว่านั่นแหละเมื่อค่าตศึกแตกพ่ายหนีไปแล้วนี่บ้านเมืองก็สงบระงับอืจากค่าตศึกเหล่านั้นชั้นใด เมื่อกิเลสมันดับลงไปจิตก็สงบลงรวมลงเป็นหนึ่งลงไปเป็นอิสระเสรีวันนะี้ไม่ตกเป็นทาาของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาจะมาจูงจิตอย่างนั้นไปไม่ได้ซะแล้ววันนี้นั่นเองข้อนี้มันก็จะต้องรู้เองเห็นเองผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็รู้เองเห็นเองอืเป็นอย่างนั้น ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้นะไม่รู้เพราะว่ากิเลสมันก็เป็นเรื่องของจิตใจของใครของเราอะต่างคนต่างสร้างขึ้นนี่ดังนั้นใครจะไปรู้ให้คนอื่นไม่ได้ตัวเองต้องรู้ตัวเองตนเองได้สร้างกิเลสอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็รู้เมื่อรู้อย่างนี้แนละ้วต้องเห็นโทษของกิเลสนะแล้วก็กําหนดละมันะ หาอุบายสอนจิตนให้เห็นโทษให้เบื่อหน่ายต่อกิเลสเหล่านั้นให้ได้จิตมันจะเบื่อหน่ายต่อกิเลสนั้นได้เพราะเพราะปัญญาหาอุบายสอนจิตนั้นเข้าไปเรื่อยๆไปอืมอย่างเช่นที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อโรกภัยเบียดเบียนได้รับทุกขเวทนายาเนี่ยปัญญาก็สอนจิตเข้าไป ทุกขเวทนาเหล่านี้มันไม่ได้มีในตนนะตนไม่ได้มีในทุกขเวทนาอทุกขเวทนาไม่ได้เป็นตนตนไม่ได้เป็นทุกขเวทนาอย่างนี้นะเวทนานี่มันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าทางหากจิตมันเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่อยู่ในขันธ์ห้าถ้าจิตอยู่ในจัพกพุทขันธ์ห้ามันก็เป็นขันธ์หกไปสิพระาศาสดาทรงจํากัดอยู่เพียงแค่ขันธ์ห้าเท่านั้นอ ดังนั้นเราจึงพอรู้ได้ว่าจิตมันเป็นส่วนหนึ่งตัางหากแต่ว่าอาศัยขันห้านั่นอยู่แต่หากไม่ใช่ขันห้าอันนี้มันละเอียดต้องเพ่งพิจารณาให้ดีๆมันจึงเข้าใจได้เพราะว่าจิตไม่มีรูปร่างอะไรนะดนั้นเราเพ่งความรู้สึกเท่านั้นแหละเพ่งดูความรู้สึกันนั้น เมื่อเพ่งดูรู้ความรู้อันนั้นว่าความรู้อันนี้เนะ่ะมันไม่ยึดไม่ถืออะไรมันปล่อยมันวางหมดอย่างงี้นะสุขมันก็ไม่ยึดถือเอาทุกข์ก็ไม่ยึดถือเอาทุกข์ก็เป็นเรื่องของขันห้าสุขก็เป็นเรื่องของขันห้าอย่างงี้นะปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้อ่ิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ไม่หวนไหว กับสุขกับทุกข์นั้นอ ม, มันก็อดได้ทนได้ไม่ใช่ว่ามันรู้แจ้งรู้เท่าอย่างนี้แล้วทุกข์มันจะดับไปจา ก, กจิตใจนี่จิตใจจะไม่รู้ทุกข์เลยอย่างนี้ไม่ใช่นะรู้อยู่นั่นแหละแต่ว่าจิตถักไม่วันไหวเพราะมันรู้ว่าไม่ใช่ของเรานี่นะอืมรู้ว่าทุกขเวทนาไม่ใช่ของเราถ้าวันไหวอ ย, อยู่มันก็มันก็เป็นทุกข ไปกับขันห้า อ, อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่วันไหวแล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ขันห้าเท่านั้นเองลักษณะของความทุกข์ก็คือความแปรปวนของขันห้าความไม่คงที่ของขันห้านั่นหละเรียกว่าลักษณะแห่งความทุกข์ของขันห้ามันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะให้เข้าใจ แล้วก็จิตนั่นแหละรู้ลักษณะอาการแห่งความทุกข์ของขันธ์ห้าถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่ฉลาดแล้วก็ไม่รู้เลยมันไปรวบเอาทุกเวทนามามาเป็นตัวเป็นตนเข้าไปเลยอย่างเงี้ยจิตมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนมากอ่ ะ, อะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นให้พากันพยายามตั้งอกตั้งใจ แห้งผินิอดรักษาจิตดวงนี้ให้ได้เมื่อเรามีความรู้ความเห็นทําเป็นจริงเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นทําเป็นจริงอย่างนั้นไว้อสเสมอสเสมอไปอย่างนี้นะอย่าให้ความรู้ความเหน็นนั้นมันเสือ่อม การการรักษาความรู้ความเห็นนะั้นหมายความว่าเราหมันทบทวนอยู่เสมอนี่นะอตั้งปัญหาถามตัวเองไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณในเที่ยงหรือไม่เที่ยงตนเองก็ต้องตอบตัวเองแน่นอนว่าไม่เที่ยงเอเมื่อมันไม่เที่ยงแนละ้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นทุขเป็นทุกข์อย่างนั้น เมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์สมควรหรือจะมาถือมันเราเป็นของเราไม่สมควรเลยปัญญาปัญญามันเกิดขึน้นก็เป็นอย่างนั้นก็เมื่อมันเมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์แล้วมันแล้วจะมายึดถือเอาเป็นของตัวของตนยังไงเล่า อ, อย่างนี้แหละเพราะว่าตนก็ไม่ต้องการความทุกข์อยู่แล้วนี้ เป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งใดมันเป็นทุกข์แล้วจิตนี่ก็ไม่ถือเอาว่าเป็นของตนแหละเมื่อขันธห้านี่ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็จะไม่ถือเอาขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวตนสิอกอก็อาศัยปัญญาเนี่ยสอนจิตนี่ไปเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่ใช่ปัญญาสอนจิตนี่จิตนี่ก็จะไม่รู้แจ้งอ่ะ ไม่รู้เท่าถ้าอยู่เฉยๆอยู่เนี่ยจะให้มันรู้เท่าเองไม่ได้นะไม่ได้ต้องมีอุบายสอนจิตนี่เข้าไปเรื่อยๆนี่หละการภาวนาการนั่งภาวนามันจะอยู่นานได้ก็เพราะเหตุว่าเมื่อเราทําใจสงบลงไปพอสมควรแล้วอย่างเนี้ยแล้วก็หาอุบายสอนจิตนี่เข้าไป แต่เมื่อเรามีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วการพิจารณาอะไรยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่เลื่อนลอยอ่ะไม่พลิกแพงไปในทางที่ไม่จริงพิจารณาเนีมันก็เห็นชัดตามเป็นจริงได้อย่างงี้นะจิตตั้งมันอยู่แล้วมีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะอดังนั้นมันจึงพิจารณา ความจริงของชีวิตนี่ไปมันก็เพลินไปเพลินอยู่ในความรู้จริงเห็นจริงนั่นนะไอ้ทุกพัทนาต่างทางจิตใ จ, จมันก็ระงับดับไปอนั่งภาวนาคนนั่งอยู่นานได้แบบนี้นะแต่ถ้าหากว่าไม่มีอุบายปัญญาสอนจิตอย่างนั้นนะ่ะจะไปให้จิตมันส ง, งบนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ เมื่อสังขารร่างกายนี่มันแปรปรวนกระทบกระทั่งกันไปแล้วมันก็ถอนแล้วอืมมันถอนออกไปแล้วเอาแล้ววันนี้จิตก็วกแวก่อนไหวเมื่อจิตวันไหวร่างกายก็นิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้วันนี้ร่างกายก็ต้องวันไหวมันเป็นอย่างนั้นเดื่องมันนะเมื่อจิตนี่มันหยุดนิ่งไม่วันไหว ร่างกายมันก็นิ่งไปตามแม้มันจะแปลพวนอยู่กับตามเรื่องของมันแต่ขอให้จิตนิ่งอยู่เท่านั้นแหละดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจนั่งสมาธิต่อไปจนกว่าจะสมควรแก่เวลา